เรียกในไตรภูมิพระร่วงคือที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ดิ่งลงสามอย่างคือหนึ่งอกริยาทิฏฐิเห็นว่าไม่เป็นธรรมคือทำบาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญสองอเหตุตุ ก, กัดทิฏฐิเห็นว่าไม่มีเหตุเช่นเห็นว่าสุขทุกข์ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเองสานักทิกาทิฏฐิเห็นว่าไม่มี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 ที่สุดแห่งโลกหรือโลกบวกอันตะในที่บางแห่งใช้เป็นชื่อแห่งพระนิพพานดังแสดงไว้ในโลหิตัสสูตว่าที่สุดแห่งโลกไม่พึงถึงดุงการไปในเวลาไหนจึงต่างจากคำว่าโลกกันตริกะดังกล่าวแล้วคือโลกบวกอันตริกะตั้งอยู่ในระหว่างแห่งโลกตามกติความคิดเรื่องโลกปะยแสดงว่านาลกสวรรค์ทั้งปวง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 ความทุกข์ของนักโทษนี้เมื่อเทียบกับทุกในนรกแล้วก็เล็กน้อยเหมือนอย่างหิงก็เล็กๆส่วนทุกในนรกเหมือนอย่างพยาเขาหิมะวันเรื่องคนไม่กลัวนรกทั้งที่เชื่อว่านรกมีอยู่และเป็นทุกข์มากมายไม่ใช่เป็นของแปลกเพราะมองไม่เห็นแม้ทุกตารางและการลงราชธรรมต่างๆมองเห็นอยู่ด้วยตา ก, ก็ยังไม่กลัวยังมีคนเข้าไปอยู่เต็มโดยมากเวลาจะทําผิดก็ไม่ได้คิดกลัวกัน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 ท่านแสดงว่ามีสาอย่างเรียกว่าทวัดติงสักกรรมมกรอแปลว่ากรรมมกร32มสองมีกล่าวถึงในหลายพระสูตรจะได้นำมากล่าวโดยคัดจากคำแปลและอธิบายตามในอัตตกถาของท่านผู้หนึ่งดังต่อไปนี้คือ 1. กรสาฮิป e, ิตาเรนเต้วยด้วยแส 2. เวเตฮิปิตาเรนเต้วยด้วยวายสา อัตถัันธ์ภเกหิปิตะเลนเตตีด้วยตะบองสั้นสีหัดถ้ำปิจิ้ทันเตตัดมือหปาทำปิฉันทันเตตัดเท้า6อัตปถาทำปิชิทันเตตัดทั้งมือทั้งเท้า7จ็ดกันนำปิจิ้งทันเตตัดหู 8. นาสมปิจิ้ทันเตตัดจมูก9 กันนานาสัมปิกิงทันทเตตัดทั้งหูทั้งจมูก 10. พี่ลงางคถาิกรรกัมเปก ร, รปโรนเตลงกรรมกรวิธีหม้อเคี้ยวน้ำส้มคือต่อยขมองออกแล้วเอาคีมพี่ก้อนเหล็กแดงใส่ลงไปให้มันสมองเดือดพุ่งขึ้นเหมือ น, น้ำส้มเดือดล้นหม้อ 11. สังขมุมลที่กัมปิกรรปัโรนเตลงกรรมกรวิธีขอดสัง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 โลหิตไหลออกมาเต็มปากดูปากต้าแดงดังปากราหู 13. โชติมาลิกัมปิกาโรนเตลงกรรมกรมาลัยไฟคือเอาผ้าชุบน้ำมันพันทัว่วตัวแล้วเอาไฟจุด14บัททับปัดโชติกัมปิกาโรนเตลงกรมกรวิธีคบมือคือเอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้งสิบแล้วเอาไฟจุด15เอร ก, กะวัตติกัมปิกาโรเต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 ปาาลปีถกรรมปีกะโลนเตะุงกรรมกรวิธีต่างฟางคือเอาลุกบิดศิลากลิ้งทับตัวบทให้กระดูกแตกปนแต่ระวังไม่ให้หนังขาดแล้วจับผมรวบยกขย่อนขย่อนให้เนื้อรวมกันเข้าเป็นกองจึงเอาผมนั่นแหละพันตล่อมเข้าวางไว้เหมือนตัางทำให้ฟางสำหรับเช็ดเท้ายี ส, สตัดเตนปีตะเลนโอสินจันเตะราดด้วยน้า ม, มันเดือดยี่สีส่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 ได้รวบรวมมาอีกหกอย่างนี้ยี่สิบเจ็ดเอาขวานผ่าอก 28. สแทงด้วยหอกทีละน้อยจนกว่าจะตาย 29. คกุดหลุมฝังเพียงเอวเอาฟางสูงครอกด้วยไฟพอหนังไหม้เอาไถเหล็กไถ่สาสิเชือดเนื้อออกมาทอดให้กินเองสาบอดตัดหรือแหวกปากสาสสองจำห้าประการไว้ในคุกคุกตารางและกรรมกรต่างๆเช่นที่กล่าวมานี้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 จนถึงพระอาจารย์จดเข้าไว้ในบาลีพระสู่พระอาจารย์ต่อมาผู้อธิบายบาลีได้ปรับปรุงจัดท่าอยู่ในแนวทางเดียวกันซึ่งก็ไม่สนิทนักดังกล่าวแล้วและนณรกก็ใช้เครื่องเหล็กตลอดถึงอาวุธเป็นต้นว่าหอกดาบเช่นเดียวกับในมนุษย์โลกจึงน่าจะมีแสดงขึ้นในสมัยที่มนุษย์รู้จักใช้เหล็กและรู้จักทําหอกดาบเป็นต้นใช้แล้วฉะนั้นน่าจะยุติได้โดยไม่ผิดว่าทางพระพุทธศาสนานําชื่อว่า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 ได้พบบาลีอธิบายเรื่องนิรยะไว้ในสรายตนะวัคในรูปความเป็นพระพุทธดำรับตัดไว้ว่าพิขูทั้งหลายเราได้เห็นนิรยะชื่อว่าภาษายตตนิกะเกิดทางอัยตนะที่เป็นทางภัษาคือสัมผัสถูกต้องหแล้วคือในนิรยะนั้นหนึ่งเห็นรูปด้วยจักษุสองได้ยินเสียงด้วยหูสดมกลิ่นด้วยจมูกสี่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 จึงนุติได้ว่าพระพุทธภาสิตนี้เป็นอธิบายนรกในพระพุทธศาสนาโดยตรงการอธิบายให้ต้องด้วยหลักฐานเหตุผลใช้ได้ทุกกาลสมัยดังนี้พึ่งเห็นว่าเป็นลักษณะอธิบายพระพุทธศาสนาโดยทั่วๆไปภูมิดิรัฐชฐานได้กล่าวถึงเรื่องนรกมาแล้วจะได้กล่าวถึงดิรัฐชฐานต่อไปจำพวกนี้จัดเป็นอวัยภูมิหรือทุคติ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 ตามที่คนเรานี้เองเขียนตามลักษณะที่พรรณนาไว้นั้นและใช้ความคิดตัดแปลงให้เกิดความมดต์น้ำอ่อนโยนหรือดุร้ายเป็นต้นตามที่ต้องการกลายเป็นภาพกิจกรรมหรือศิลปะจิจกรรมภาพของสัตว์บางชนิดลงตัวเพราะเป็นที่รู้จักรับรองกันทั่วไปเช่นภาพครุฑภาพหงเมื่อเขียนให้มีลักษณะอย่างนั้นก็รู้จักรับรองกันว่าครุฑว่าหงถ้าใครไปเขียนเป็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่ครุฑไม่ใช่หง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 ดิรัชานโยนี้แปลว่ากำเนิดดิรัชานหรือสัตว์ที่ไปตามขวางคือทอดกายไปไม่ตั้งกายขึ้นตรงเหมือนอย่างมนุษย์ในภารบันดิต ส, สูตรแสดงไว้ห้าประเภทคือหนึ่งตินพักขาจำพวกมีหญ้าเป็นพักษาระบุชื่อมา้าโคลาแพะเนื้อ 2. คู่ถักขาจำพวกที่มีคู่เป็นพักษาระบุชื่อไก่สุ ก, กรสุนัข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 การาศีหะคือสีหะมีสีดำดังวัวดำสามปันธรสีหะคือสีหะมีสีเหลืองดังใบตองกินเนื้อเป็นอาหาร 4. เกศศรสีหะคือสีหะมีเกศรหรือเรียกว่าไก่ศรด้แก่ขนส้อยอันอ่อนงามดังเอาผ้าแดงมีค่าสูงมาผาดไว้และขนในตัวที่ขาวดังสังขัดสีปากและปลายท้าทั้งสี่แดงดังทาด้วยน้ำครั่งละลายด้วยชาติหอละคุณ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 1>, 1. กาลาวะกะสองคังเคยยะสปันระสตัมภะหปิงคละ 6. คันทะเจมังคละ 8. เหมะเกอุปสถะส0ทัดทันตะในมโนโรสปุรณีกล่าวว่าช้างตระกูลกาลาวะกะได้แก่ตระกูลช้างโดยปกติท่านว่ามีกำลังเท่ากับบุรุษสิบคนรวมกันแต่น่าจะต้องเป็นบุรุษที่มีกำลังมากเป็นพิเศษทั้งสิบคน จึงจะรวมกันเท่ากับกำลังช้างเชือกหนึ่งตระกูลช้างถัดจากนี้มีกําลังมากกว่ากันสิบเท่าขึ้นไปโดยลําดับและสิบเท่าของช้างตระกูลฉักทันเรียกว่าตถาคตพละหรือกําลังนารายยังมีพวกปลาใ ห, ใหญ่ที่กล่าวไว้ในคัมภีอภิธานอปทีปิกาเจ็ดจำพวกคือ 1. ติมิสองติมินทีละหรือเปลืองปลาติมิได้สติเมระปิงคละสี 4. ปานน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 สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป